การปฏิบัติธรรมะในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานทำให้รู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเทศสอนไว้ใมจิตของเรานิ่งหรือมีความสงบนะจิตของเรามีความนิ่งมีความสงบใจ นั่ใจตรงนี้จะมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องถ้าจิตของเราไม่สงบว่าฟุงา้งซ่านน้ำใจของเราเป็นโรคเรามีเรือนกายก็มีใจนะร่างกายนี้เป็นโรคเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วใช้ไปนานๆมันก็เสื่อมมันเรียกว่ามีโรคเกิดขึ้น ถ้าเราพิจารณาดีๆสังขารกายก้อนสังขาร น, นี้เป็นก้อนทุกข์ทุกขังนะทุกอย่างหนึ่งคือความเจ็บปวดทุกทรมานเราก็จะได้ยินว่ามันทุกข์นะส่าคว่าทุกขังนี่มีลักษณะว่าทนอยู่ไม่ได้เรานั่งนานๆมันก็ปวดขึ้นมาแล้วก็นทนไม่ได้นะ มันเปลี่ยนแปลงไปมันทนไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนอริยบทบพระพุทธเจ้าจึงแต่ว่าอริยบททั้งหลายบางทุกขังเอาไว้เราถ้าเราอยากเห็นร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็นั่งนานๆเราเห็นได้ว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์และต้องเปลี่ยนอริยบทแก้ทุกข์กันพอเปลี่ยนอริยบทแก้ทุกข์ก็รู้สึกมีความสุขขึ้นเราเลยเข้าใจว่ามีความสุข แต่ว่าความจริงเราแก้ความทุกข์เรายืนนานๆมันก็เมื่อยเราก็ต้องหาที่นั่งเนี่ยมันทุกข์แล้วทางกายนี้ไม่ทุกข์ยืนนานๆก็ได้นั่งนานๆนเดินนานๆ น, นอนนานๆก็ไม่มีปัญหาหรือไม่ต้องรับประทานอาหารพระไม่ต้องฉันก็ไม่ทุกข์อยู่ได้เนะนี่ยนเป็นกายของเทวด า, วาแต่กายมนุษย์นี่ไม่ได้ ต้องอาศัยนะาทั้งสี่เจนลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยที่สำคัญในออกซิเจนเนี่ยนะถ้าเราหยุดหายใจเพียงชั่วขณะหนึ่งร่างกายนี้ก็ตายแล้วอยู่ไม่ได้ละลมหายใจออกซิเจ น, นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยขาดไม่ได้เลยเ อ, อน้ำนี่ยังขาดได้หลายวัน เจ็ดนะวันนแต่อาหารนี่ยังมากกว่า น, นั้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืพวกเรามากําหนดรู้เราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกเห็นได้ว่าร่างกายนันเป็นทุกขังวิจารณาเห็นความเป็นทุกขังคนเกิดมาในโลกก็จะเป็นคนรวยคนจนคนมียาถาบดาศักดิ์หรือไม่มีก็ตามก้อนร่างกายนี้ก็เหมือนกันก็เลยเป็นเพื่อนร่วมทุกขังด้วยกันอย่างนั้นแหละนะนะ เป็นเพื่อนร่วมทุกข์แลการเกิดขึ้นมานี่ยรามีความสุขตามัตภาพของใจก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ด้วยร่วมเจ็บแล้ก็ร่วมตายด้วยเหมือนกันพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาเมื่อจิตของเราสงบก็ยกร่างกายสังขาร น, นี่แหละซึ่งเราก็เคยรู้อยู่แล้วว่ามันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแต่ว่า ความโลภ ก, กดหลงมันไม่ลดไปเพราะว่าความรู้นี่มันยังไม่เห็นชัดนะอนรู้จะไม่เห็นชัดแต่ถ้าเรารู้ชัดเห็นชัดขึ้นมาในโลกในภัยในวัฏสงสารแล้วก็จะละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นกัาตัวเราของเราลงได้นะเราอาศัยลมหายใจที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี่ใจเข้า ใ, ใจออก หยุดลมหายใจหยุดแท้ใจสักแป๊บเดียวทุกคนก็ตระจากลงนี้ไปแล้วนี่เราจะเอาอะไรไปได้เออชีวิตอยู่กระลมนี้ น, น, นะชีวิตอยู่กระลมฮะตัวหาตนไม่ได้แล้วเราก็พิจารณาเออคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีออกซิเจนก็นตายทั้งโลกนี่มนันรดอยู่ไม่ได้สัตว์มีชีวิตจะอยู่กันไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราต้องกาฝึ ก, กจิตใจของเราให้มันนิ่งสงบแล้วก็ศึกษาเราเรียนเขียนอ่านในวัยเรียนในวัยเด็กอยู่ในศีลธรรมเชื่อฟังวิาดามารดาทำกิจการงานหน้าที่ของเราให้สมบูบรณ์บริบูรณ์แล้วต่อมาก็ต้องมาเพิ่มการปฏิบัติธรรมะควบคู่กันไปด้วยตั้งแต่เด็กนะเด็กมี ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่สําคัญ ต, ตอนนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยพูดถึงว่าเราก็โชคดีว่านะพระสงฆ์ใน พ, พุทธศาสนานี่มีมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ย ต, ตอนนี้จะไปเมืองจีนก็หายากแล้วนะพะทศรีลังกาก็ไม่มากแล้วประเทศไทยนี่พระมีมากนะ พะทั้งพระวิมุตต์พระสมุติก็มากแล้วเราก็โชคดีเราวัดก็มากนะก็เราให้พยายามศึกษาแล้ปฏิบัติทางใจว่าใจดวงนี้มันมีที่เพ่งหรือยังนะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอาศัยยาจะเป็นยาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนฝังเข็มก็ดียาปัจจุบันก็ดีเออบางทีร่างกายมันก็ถูกกับการลักษณะ รักษาแตกต่างกันก็หายได้จากโรคนี่แต่ว่ายาที่จะรักษาทางใจนึกว่าธรรมะโอสถนะก็ต้องมาปฏิบัติในธรรมนี่แหละที่พวกเราให้ทานนี่ก็เป็นยารักษาความร้อมารักษาศีลก็รักษาความโกรธเอาไว้นะโกรธแล้วก็ไม่มันออกไปมานั่งสมาธิมารักษาความหลงของเราที่มันหลง ร, รอบหลงโกรธหลงโตหลง ต, ง ต, งตนให้หมดไปมาฝึกโดยการพิจารณาแล้วให้สงบจะพิจารณากายก้อนี้นะให้เห็นว่าเป็นธาตุเป็นสุภะเป็นอนอิจังทุกขงัอกของอนันตาอะไรให้มันปล่อยวางในร่างกายถ้าเรามีกําลังระดับไหนเราก็พิจารณา ร, ระดับนั้นแหะแต่ในบางครั้งเราไม่ต้องไปแยกแยกนะนะสมัยก่อนต่อมาก็คิดว่าต้องไปแยกแยะ ให้มันละเอียดที่สุดเลยเห็นชัดขึ้นมาในใจทังจะสบายถ้าเรามีกําลังสมาธิดีมีปัญญามากบางครั้งสอนจิตของเราบารูปไม่เที่ยงนะเวทนาสัญญาทั้งขันพิญาณไม่เที่ยงจิตยอมรับได้ไม่มีอุปทานก็ใช้ได้แล้วนในเบื้องต้นมันก็ต้องอธิบายกันนานนะอธิบายต่อจิตของเรานาน อธิบายในความคิดอธิบายในความเห็นอธิบายในการาพยายามสร้างภาพนิมิติปรากฏขึ้นให้เห็นเด่นชัดขึ้นมามากายก้อนธาตุนี้มันเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาก็ดีรูปเวทนาทัญญาทักษามัญญายก็ดีพิจารณาให้เห็นชัดเจนต่อ่าจิตของเรามีกําลังมากก็สอดมารูปไม่เที่ยงเขาก็เชื่อแล้วเชื่อฟังก็จิตก็สงบ ไม่ดิน้นลนค้อนขวายกดแกง เ, ออเพราะว่าเห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงเนี่ยการจะมีสภาวะปรากฏขึ้นใหเราเห็นก็ไนด้พอไม่เที่ยงคนเราให้ใจเข้าไปแล้วไม่ให้ใจออกไม่เที่ยงก็จะต้องลม้มลงไปกองลงไปแตกสลายไปเลยเนี่ยพอไม่เที่ยงลักษณะนี้คือจิตของเรามีความสงบแล้วมีปัญญาก็สอนจิตไม่มากเขาก็ เช่ฟังก็ เ, เกิดขึ้นจากพวกเราต้องมาฝึกปฏิบัติในเบื้องต้นมานั่งสมาธิมาภาวนาอย่างนี้แหละนะก็พยายามปฏิบัติกันมีโอกาสมีประลาเสวททิศนะก็กมาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมหรือว่าเราไปอที่บ้านแล้วก็พยายามปฏิบัตินะทุกทุกคนคอยเจริญในธรรมปัจจากนรกภัยแค่เจ็บทั้งหลายพร้อมด้วยอายุวัฒนะสุขภพระาบริพันธนัสสัตว์เท่ากันทุกทุกท่านเตอน